ไปดูแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยจะได้มีความตั้งสติอยู่ในตัวก็ในช่วงนี่เป็นช่วงที่คนที่เข้ามาก่อนกำลังเก็บปฏิบัติอยู่นบางช่วงแล้วก็ทำวัดก็รวมกันในช่วงสอบปรุ่งในช่วงปฏิบัติจะแยกกันบ้างอนี้เพื่อผู้ที่อ แต่ลุงดีแล้วก็จะรักษาลุมของตัวเองลตลอดแล้วก็ในช่วงของตอนเย็นนี่กนมีการสอบปรลุมแทงที่จะเป็นทมบรรยายก็เป็นการนั่งสอบปรลุมร้ว ก, วกันเอย่างเมื่อวานวันนี้เพื่อที่จะให้ที้เราปฏิบัติมาทั้งวัน เราขัดข้องอะไรตรงไหนเนี่ยเราจะได้คุยได้ซักได้ถามกันบางทีถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันเราไม่ได้บอกไม่ได้คุยกันมันอาจจะค้างค้งอยู่ในความรู้สึกแต่พอนั่งคุยกันสนทนาธรรมและสอบรมความรู้สึกอันนั้นก็จะผ่อนคลายและเข้าใจนี่เป็นหตผลที่เราเปลี่ยนแปลง แล้วก็ในช่วงเช้าก็อย่างที่เราทำก็คือเป็นการอากาศของเรามันน้ำจัดร้อนจัดมันก็เจริญสติในการเรากำลังกายไปทำให้เราได้ปฏิบัติตอนกลางวันได้เต็มที่ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็เร า, มาเมื่อได้ ไม่ได้ทำ ง, งานอาหารที่เราทานไปก็จะได้ง่ายไม่เป็นอุบัตรัพท์ไม่เป็นนิวอนมากเกินไปเพราะมีการเอารงกายทำให้ภูมิต้านทานได้ความเผาผลาญอะไรต่างๆสมบูรณ์ดึงม่านเข้ามาดึงคนในออกไป ด, ดึงมานปิ ด, ดทุกครั้งไป <c oughs> ก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเข้มแข็งขึ้น ซึ่งได้บอกประจําว่าเจตนาลมของการออกลองกายไม่ใช่เพื่อบำรุบบำเรอร่ลังกายให้เข้มแข็งแต่เพื่อเป็นการผ่อนคลายเวทนาถ้าเราปฏิบัติมีศัสนาหรือสมถะท้าวทนามันหนักหน่มเช่นโรคภัยไข้เจ็บอนรือโบทต่างๆไม่พอดีมันบีบคั้นจิตจิตของเราก็หนักพอจิตของเราหนักมันก็เกิดสติปัญญายากพรวทนานะั้นมันเป็นตัวบทบัง ปัญญาของเรานะฉะั้นจึงไม่อยากจะให้เวทนาครอบงําเวทนาเนี่ยมันเหมือนกับหมอกเม็ดเวทนาจัดมากๆก็เหมือนเม ก, ก้อนดําๆถ้าเวทนาบางๆก็เหมือนเม็ด ก, ก้อนบางๆนั่นนี่จะทําให้เวทนาเบาบางเพราะในโพธิราชกุมารสูตรท่านบอกเอาไว้ว่าการที่ปฏิบัติ ท, ทําได้ผลเร็วเนี่ยมีเหตุผลห้าประการ หนึ่งก็คือมีศรัทธาธรรมมีศรัทธาที่ถูกต้องสองก็มีความเพียรที่ต่อเนื่องอันที่สามก็มีเวทนาเบาบางอันที่สี่ก็เป็นคนซื่อคนตรง็นคนไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรมากซื่อตรงตรงอันที่ห้าก็คือมีสติสมัยยับปกติมีอินทรีย์ปกติไม่เป็นคนไม่ วิกลจิตประสาทวิปลิตผิดแปลกทั้งด้านประสาทเรื่องอารมณ์ก็เรียกเป็นคนปกติวิสติจัญญาปกติสามารถที่จะทำให้เห็นการเกิดการดับได้ง่ายนะอันนี้คือเหตุผลว่าจะปฏิบัติยังไงที่ให้ผลนเร็วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเปิดด้วยบอกแนละ้วเขาอขอกเสียงควรดัง น, น, นั้นเราจะเห็นว่าเรื่อง การปฏิบัติเนี่ยเราจําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีเหตุผลมีที่ไปที่มาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องต่อเมื่อวานเรื่องของจิตานุปัสสนาซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญเมื่อวานพูดไปตอนหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะต่อตอนที่สองเมื่อวานพูดถึงเรื่องหลักการทั่วไปของจิตสมประเภทจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศล จิต ท, ที่เป็นนภยาปิติหรือจิต ท, ที่เป็นความรู้สึกซื่ อ, อๆเฉยจิต ท, ที่ปรุงแต่งแล้วก็จิตนี่เป็นธรรมารมณ์หรือเป็นสัญญาณต่างกันอย่างไรที่เราได้ทําความเข้าใจไปเมื่อวานแต่วันนี้จะมาลงลึกลงไปว่าจิต ท, ที่ท่านแยกออกไว้ทั้ง3ประการเนี่ยท่านแยกประเภทไว้อย่างไรในหลักของวิชา ซึ่งไดบอกเมื่อวานแล้วเนี่ยในช่วงกองคบรรยายเนี่ยมันจะมีทั้งหลักวิชาที่เป็นปริยัตและในช่ว ง, ท, งทั้งทั้งที่ปรมัดหรือสภาวะก็จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องจิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่ถูกจิตมันหลอกอีกต่อไปว่าตัวไหนมาเราก็รู้เท่าทันทีนี้มาดูว่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องอประเภทของ ท่านบัญญัติหรือท่านกล่าวไว้ในในแง่ของจิตตานุปัสนาเนี่ยนะตั้งแต่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตพุ้งสร้างจิตหดหูจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมีอารมณ์อันเลิศจิตที่ไม่ได้อารมณ์จิตที่มีจิต อื่นครอบงาจิตที่ไม่มีจิตอื่นครอบงาจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นถ้าแบ่งไว้เป็นสิบกว่าอย่างที่ในสิบกว่าอย่างนี้เราสามารถแบ่งประเภทเข้าทั้งสามได้ว่าอย่างสราคจิตสโทสะจิตสมหะจิตจิตมีราคจิตมีโทสะจิตโมหะถือว่าเป็นอกุศลจิตจิตไม่มีราคจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะสองสามอย่างเนี่ยอ่า จะสงเคลอกข้นไปเป็นกุศลจิตนะจิตหดหูจิตฟุงซ่านวิกิดต่างวาสังขิตต่างวาเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะแล้วจิตตั้งมั่นเป็นกุศลจิตจิตไม่ตั้งมั่นสมาหิตต่างวะอาสมาหิตต่างวาเป็นอกุศลจิตจิตได้อารมณ์มหาคตต่างวาจิตได้อารมณ์อัเลิศเป็นกุศลจิตจิตไม่ได้อารมณ์อัเลิศ ไอ้ตรงนี้ไม่ได้อารมณ์อันเลิศเนี่ยบางทีมันไม่ได้อารมณ์เฉยๆแต่มันไม่เป็นอกุศลจนนี้เป็นอพยากตาจิตนะจิตที่มีจิตอื่นครอบงําก็เป็นอาจจะเป็นฝ่ายจิตที่เป็นกุศลก็จิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตเป็นอกุศลก็ได้ครอบงําก็ยังเป็นอพยากระตาอยู่จิตไม่มีจิตอื่นครอบงา อืมก็เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตนะจิตที่หลุดพ้นเป็นกุศลจิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็ยังเนพยากาตาอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เนี่ยแล้วแยกเป็นส า, มสามหมวดแล้วแยกออกไปให้เห็นชัดที่เรา ส, สวดนะหนึ่งสราคคจิตสองวิตาจิตสมสโทะสะสี่วิตาโทสะห้าสมหุหะหก วิตาโมหะเจสังคิตะ8วิธิตะ9อสบาหิตะสิอสมาหิตะ11มหาคตาจิต12อมหาคตาจิต13อนุตราจิต14นะอุตตราจิต15วิมุตติจิต16อาวิมุตติจิต16บหท่านแบบไว้ทั้ง16หมวดในเรื่องของจิตนเห็นไหม ที่เรามาแยกเป็นสามหมวดว่าจิตที่เป็นกุศลปีเป็นอกุศลจิตที่เป็นอัพยากิจนะฮะแยกเหลือสามนะที่เรามาแยกเป็นจิตความรู้สึกเฉยเฉยมีสติรู้สึกตัวประเภทหนึง่งจิตที่มันปรุงแต่งประเภทหนึง่งแล้วจิตที่มันยังเป็นฉันจัติยานไม่ปรุงแต่งแต่ว่ามันเป็นธรรมารมณ์อันนี้ก็ประเภทหนึง่งนะ เพระฉะนั้นเราก็มาดูย่อๆว่าขณะนี้เราการปรุงแต่งทางจิตมีไหมไม่มีเพาเรารู้สึกตัวอยู่แต่บางคนอาจจะมีก็ได้นะเราก็จิตที่รู้สึกซื่อๆเฉยก็มีอยู่รู้สึกตัวร่วร้อมก็มีอยู่แล้วจิตที่เป็นธรรมารมณ์ อาจจะไม่ซื้อไม่เฉย อ, อาจจะไม่ปรุงแต่งแต่ไม่เรื่องแวบไปแวบมาแวบไปแวบมา เ, าเดี๋ยวภาพนั้นปรากฏเดี๋ยวภาพนี้ปรากฏแล้วก็ผ่านไปไม่ปรุงแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ความรู้สึกเฉยเฉยชัดๆนี่ก็ไม่มีแต่มีแต่ว่าภาพต่างๆอดีตอานาคตทอ่มาปรากฏเหมือนกับเราเดิ น, นผ่านหน้ากระจกเห็นไหม ถื่กระจกใสๆใช่ไหมบางครั้งไม่มีใครเดินผ่านกระจกนั้นก็ไม่มีภาพอะไรเลยบางคนไปบางครั้งคนไปนั่งยืนแต่งหน้าแต่งตาเก็ภาพปรากฏบางครั้งเราไม่ได้แต่งหน้าเราก็ไม่แต่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาลักษณะจิตของสามประการประการที่หนึ่งไม่มีใครเดินผ่านหน้ากระจกนั่นเลยประการที่สองจิตที่สองแลสังขารจิตมีคนเข้าไปแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตา หน้ า, ากระจุจิตรประเภทที่สามมีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้สนใ จ, จกระจุกหรอกแต่บรญกับข้าวก็ปรกากฏในกระจุกอยู่ดีจิตก็มีลักษณะสามประเภทเหมือนกันวันวันหนึน่งนียเราอยู่ในประเภทไหนอจิตระว่างๆไม่มีอะไรปรากฏเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกับกระจกไม่มีใครผ่านไม่มีใครไปแต่งตัวบางครั้งเราตั้งใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตั้งใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็มีมันก็เราเป็นแต่งหน้าแต่งตานะบางครั้งก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจคิดเลยแต่ก็รู้ซื่อๆก็ไม่มีแต่ว่ามีอารมณ์ผ่านมาผ่านไปก็เรียกว่าทำอารมณ์หรือทำอารมณ์ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นสัญชตาตญาณพร้อมที่จะเป็นปัญญายาณก็ได้แล้วแต่ว่าตัวไหนเข้ามาประกอบนี่ให้เห็นจิตไปหลักๆนี้ก่อนนะ ถ้าสมมุติว่าเรารู้สภาวะจิตที่เป็นหลักๆนี้เราก็ดูว่าจิตที่เป็นปุงแต่งเนี่ยมันมีสองลักษณะปุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลบางครั้งเราคิดจะทําบุญทําทานอะไรเงี้ยมันก็ปุงแต่งนะวันที่จะไปทําบุญที่ไหนวันนี้จะมาภาวนาที่นี่จะเดินทางอย่างไรนี่นี่เป็นคิดวางแผนนี่เป็นกุศลและจิต เป็นฝ่ายของฝ่ายแห่งสติปัญญานะที น, นี้บางครั้งเนี่ยมันปรุงแต่งว่าจะไปถึงที่นั่นแล้วจะไปอย่างคิดตระ ด, ดึไปเลยหยุดไม่เป็นเบื้องต้นเป็นสติปัญญาแต่เบื้องปลายกลับเป็นสังขารและจิตมันจบไม่ลงแต่คิดวางแผนว่าจะไปยังไงมันจบตรงนี้เป็นสติปัญญาแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปร ะ, ระเภทเนี้ประเภทที่ที่วันนี้ จะทำอาหารเรื่องอะไรก็ลงมือทำอาหารทำอาหารจบก็เสร็จนั่นถือเป็นสติปัญญาแต่บางทีคิดทาอาหารเรื่องนั้นนี้แต่ไม่ได้ไปทำคิดไปเรื่อยๆนจะจใคิดไปนี่เป็นสังขารและจิตอาจจะเป็นทั้งกุศลและอกุศลก็ได้ลักษณะยอย่างนี้มันมีถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตอย่างนี้มันก็จะทำให้เราทันนะว่าจิตนั้น มันมีหน้าที่สะท้อนภาพมีหน้าที่ส่องให้เห็นมีหน้าที่รับรู้มีหน้าที่รับจํามีหน้าที่รับคิดเขาเรียกว่ขันห้างไงรูปเวทานาสัญญาสังขารมิจาณ erman, หน้าที่ของจิตมีอยู่ห้าอย่างแค่นั้นอืทีนี้ในภาคปฏิบัติอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ได้อลักอภธิธรรมเรือปริยัติพระสูตรพระอภิวินัยมาแจงละ ในรายละเอียดแต่เราก็พูดให้เห็นว่าที่เราปฏิบัติเป็นสภาวะนี่นะมันเป็นไปตามหลักปริยัติปฏิบัติทุกประการที่ยกมาก็เพื่อที่ให้เรามั่นใจว่าหลักที่เราปฏิบัติเนี่ยมันไม่ผิดไปจากวัฏวถีโลกหรอกแต่ถ้าเราไม่ชี้ให้เห็นว่ามันสงเคราะห์กับตรงไหนมันแมทกับตรงไหนมันตรงเข้ากับตรงไหนเนี่ยถ้าคนไม่ได้ไม่มีหลักปริยัติมาก็จะหลังเลย่ใช่หรือเปล่านะทําแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าเราชี้แจงกันก่อนเออที่มันเข้าหลักรียะมันเข้าตรงนี้นะพวกที่ไม่ได้อ่านประไตปิฎกหรือไม่อ่านติปฐานสี่เขาบอกว่าวิธีการยกมือเคลื่อนไหวนี่มันไม่มีในประไตปิฎกมี่เขาเขาไม่ได้อ่านมาแต่ถ้าเขาคนนั้นเขาอ่านมาเราก็จะเห็นว่ามันก็ปรากฏอยู่ในหมวดของสัมปชัญญะปปะในหมวดของการยานุปัสนาวะเลยจะดูท่าดูดออจะอินเดบสีนะ อียาปัทภปะกับสัมพันญ์ชบวกกันอนาปณะบวกกั น, น, ะ น, ะกกนทั้งสามเนี่ยทั้งหมดก็ว่าได้ <c oughs> การเคลื่อนไหวของธาตุการเคลื่อนไหวของอาการสาสบสองการเคลื่อนไหวของอสิ่งที่เป็นอสุภในร่างกายมันเป็นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับหยาพิสุทธ์จนไปถึงระดับละเอียดที่สุดหมดกายนะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่เขา จ, จับอสุนหยาบหยาบมาทำเช่นการเคลื่อนไหวในบทสี่ การเคลื่อนไหวของรีบทย่อยการเคลื่อนไหวของธาตุการเคลื่อนไหวของลมมาบวกกันเข้าที่เราสวดอ่ะอันนี้เราผ่านมาแล้วนะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจิตว่าในฐานะของจิตที่เราใช้มันเนี่ยนะเราใช้จิตให้ถูกถ้าเป็นเครื่องมือนะเป็นทูเท่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่เรา <c oughs> ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตเราใช้จิตเป็น เป็นหลักก็เป็นเราแทนที่จะใช้จิตเป็นออบเจกต์เราใช้จิตมันเป็น subject <c> subject <oughs> เนี่ยมันมีปัญหาแทนที่เราจะสติสัมปชัญญะปัญญามาเป็น subject แต่เราอาจิตมาเป็น subject เนี่ยมันยุ่งตรงนั้นนะดังนั้นวิธีการก็คือต้องต้องสร้างสติสัมผัสมันมีพลังถ้าสติสัมผัสไม่มีพลังจิตมันกลายมาเป็นตัว subject แต่สติสัมผัสมันมีพลังมันไปเห็นจิตไปดูจิตเป็น จิตก็กลายเป็นตัวอัจิกตัวถูกดูถูกรู้ถูกเห็นอืดังนั้นคนที่เป็นทุกข์เพราะว่าหลงเอาจิตมาเป็นตัวหลักพระพุเจ้าท่าก็เห็นหลักอันนี้มาว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวหลักนะจิตมันเป็นตัวปรากฏการเหมือนกระจกกับภาพในกระจกอันไหนเป็นตัวหลักอันไหนเป็นตัวรองกระจกที่ตั้งอยู่เป็นตัวหลักเห็นไหม ตัวภาพที่ปรากฏในกระจกเป็นตัวลองแต่คนให้ความสําคัญที่กระจกและให้ความสําคัญในภาพที่ปรากฏอ่าให้ความสําคัญภาพที่ปรากฏใช่มแต่งหน้าแต่งตาหล่อเหาเอาการสวยไม่สวยเป็นยังไงไปหลงแต่มองข้ามกระจกไปเลยกลับไม่เห็นกระจกแต่กลับไปให้ความสําคัญว่าตัวเองเป็นไงสวยไปตรงไหนมีไฟมีประเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ่เเเเเเเเเเ เราให้ความสำคัญตรงนั้นเหมือนกันเราให้ความสำคัญกับจิตจิตเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในความคิดตลอดเลยเหมือนเราเข้าไปหลงภาพใ น, ในกระจกเราลืมไอ้กระจกที่มันสะท้อนนั้นมันเราลืมตัว่นั้นไปเลยที่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญกับภาพในกระจกแต่ให้ความสำคัญกระจกมันเช็ดมันถูมันรักษาให้มันแจ่มมันใสเสมอ <c oughs> เพในเรื่องนี้มันจึงเป็นที่ไปที่มาของนรัิเซนไงของท่านไวหลังนะนะที่ว่าท่นานไวหลังไปปฏิบัติกับอาจารย์แล้วตอนที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาให้ความสำคัญในเรื่องภาพในกระจกแต่เวหลังให้ความสําคัญเรื่องกระจกไปเขียนสรุปทำแห่งกันลูกศิษย์ลูกหาบาปันเขียน ก็ไม่เป็นที่ถูกใจของอาจารย์สักทีนึงนี่วันหนึ่งท่านวิหลังตอนนั้นทะ่านเป็นคนหาฟืนในโรงครัวไม่ได้มานะเป็นนักปฏิบัติกับเขาได้ซ้าไปเป็นคนเจ็บผักหักฟืนเข้าโรงครัวทีนี้เมื่อคนไหนมาเขียนท่านก็มาแอบดูอันนี้ก็ไม่ใช่ในที่สุดไม่มีใครเขียนวันหนึ่งท่านก็มาแอบเขียน คนที่ล่าสุดที่มาเขียนก่อนหน้าท่านคือท่านาจำชังชเลยนะจำชื่อไม่ได้บอกว่ากายนี้นะเหมือนต้นโูใจนี้คือเป็นกระจกเป็นเงาใสอารมณ์ที่มานมาก็เหมือนกับ ฝุ่นหรือผงที่มาทำให้กระจกเนี่ยไม่ใส่ไม่สะอาดโพีิจิตคือหน้ากระจกเมื่อเราคอยเช็ดคอยถูไม่ให้สิ่งสกปรกหรือดัสหรือฝุ่นผงทั้งหลายเนี่ยออกจากจกระจกแล้วกระจกก็จะใสสะอาดอเมื่อเราชั้นใดก็ดีเมื่อเราคอย รักษาไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้าไปแปดเปืี่ยนจิตจิตเนี่ยก็จะใสสะอาดอยู่เสมอเขีย<ะ>นเป็นสโลว้อย่างเงี้ยท่านไว้หยหนิงหรือไว้ยหลังนั่มาอ่านดูท่านเขียนลงข้างใด้ว่างไงนะไม่มีทั้งกระจกไม่มีทั้งเงาใสาไม่มีทั้งไอ้รุนโพแล้วฝุ่นจะจับอะไร โอ้โหอาจารย์มาเห็นบอกไว้หลังเธอรีบหนีไปเดี๋ยวนี้นะอตัวนี้เธอตกอยู่ในอันตรายแล้วเพราะอะไรนั้นคือความจริงอันสูงสุดคืออนัตตาเมื่อมีเมื่อไม่มีจิตมันไม่มีจิตแต่จิตเมื่อไม่มีจิตแล้วอารมณ์จะมาเกาะเกี่ยวอะไรท่านเข้าถึงอนัตตาได้พวกนั้นอาจารย์ทั้งหมดยังไม่เข้าถึงอนัตตาพอ ลูกศิษย์ทั้งหลายรู้สึกว่าไวหลังนี้ไปถึงเรามาอ่านอาสิษย์ที่อาจารย์ให้ไปดูเนี่ยตามล่าเลยทีเนี้ยตามล่าหาหุยหนึ่งท่านหนีไปสิบห้าปีจนกระทํางลูกศิษย์พวกนั้นาลา ถ, ถอยไปตามกันอาจารย์ก็เรียกมามอบบาทมอบจีวรมอบอะไรให้หุยหนึ่งต่อไปท่านหุยหนึ่งท่านไวหลางที่เป็นจนตรองให้เซมเห็นไหม เพราะนั้นอามาจึงใช้ก็ว่าว่างจากจิตไม่ใช่จิตว่างะที่เราใช้จิตว่างมันไม่ถูกมันต้องว่างจากจิตเมื่อว่างจากจิตแล้วอาหลวงพ่อคิดจะไปเกาะเกีอกอย่ยวอะไรใช่ไหมหนังสือเริ่มเห็นว่าวันนี้มีแต่ว่างจิตไม่ได้ว่างแหละ ว, วันนี้มันว่างอยู่แล้วแต่เราเอาจิตไปคิดมันวันนี้มันถึงมีวันนี้ไงเออวันนี้เป็นวันนั้นไม่จิตไม่ว่างเราไดคิดขึ้นมา เพราะมันมีจิตแต่เราต้องอาศัยจิตนะในแง่ของสมมุติเนี่ยต้องอาศัยจิตถ้าไม่มีจิตแล้วเหมือนเราไม่มีเครื่องมือจะทางานอะไรนะอ่าแต่จริงๆแล้วเมื่อมีสติสัมยาเนี่ความคิดปรากฏไหมควรู้สึกตัวขณะเนี่ยที่รู้สึกตัวเนี่ยมีความคิดอะไรบ้างไหมบางคนมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีความคิดจิตปรากฏไหม ไม่มีจิตเครื่องที่มีมันมีแต่อะไรมีตรแต่กระจุกใสๆแล้วก็เอาปลอดด้านหลังมันออกอกระจุกตัวนั้นเป็นไงมองทะลุเลยใช่ไหมมองไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วมันไม่มีจิตแต่มันมีจิตเพราะมันมีอะไรอยู่ข้างหลังไอ้ปลอดที่มันฉาบตาข้างหลังตัวนั้นเขาเรียกว่าอัตตาอ่าท่านไว้หลังว่าทําลายตัวนั้นเสีย นะแต่จะไปทำลายกระจกแต่ไปทำลายไอ้ประหลอดที่มันฉาบอยู่ข้างหลังเนะียเป็นสหนาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแล้วทีนี้มันมองทะลุไปนูน่นเห็นทะลุปูโป่งหมดเลยนั่นเรียกว่าโพธิจิตนะเรียกว่าโพธิจิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากนะต่อมาท่านไวหลังหรือท่านาห้วหนึ่งท่านบอก มันอันตรายต่อการมอบอธรรมธายาทให้แก่กันนะท่านเลยบาทจีวรที่ครูอาจารย์ท่าเพระาะว่าท่านไม่มอบให้ใครเลยท่านเอาไปฝังทิ้งเลยนะฮะเพราะนั้นต่อมาพวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกที่เขาเรียนเซนเขาก็ไปไกลกว่าเราของเราก็เป็นเทลวาฒเนาะก็ว่าตามอาจารย์น่ะ แล้วแต่พระเถรแล ะ, ะาอาจารย์ว่างไงเราไม่ได้เป็นพุทธวาชนะไม่ได้เป็นพุทโวนะ้ว่นไม่ได้เชื่อพุทธิจารไม่เชื่อตามอาจารย์เพรา ะ, ะนั้นตามรูปตามฝานั้นมีอาจารย์หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนนหอนี้เต็มไปหมดหาหลวพุทธิเจ้าไม่เคยเจอหลอกก็รวบรวมเนาะพุทธิเจ้ามาไว้ต่างหากอะเราก็นับถืออาจารย์หลวงพ่อคนที่รู้จักในประเทศไทยคนรู้จักหลวงมัน่นหลวงพ่อแหวนมากกว่าพุทธเจ้าอีกงจริไหมเออ นี้เราก็ไม่ค่อยคิดกนันเลยนี่นึกถึงสังฆราชมากกว่าพุทธเจ้าอีก น, นี่แหละที้ข้อข้อผิพาลา์เป็นตรงนั้นดังนั้นในแง่ของภาคปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจว่าจิตไม่ได้มีปรากฏตลอดเวลานี่กระจก ไม่ได้สะท้อนภาพตลอดเวลาเมื่อมัน ม, มีไม่มีใครผ่านกระจก น, นก็ว่างๆแต่อัตตายังมีอยู่นะถึงไม่มีอัตตายังมีอยู่เพราะอะไรกระจกถึงไม่คนไม่ผ่านมันก็สะท้อนภาพบืนที่ตั้งอยู่หน้ามันนะใช่ไหมมันก็จะมีอัตตายอยู่ไม่ใช่ว่านรู้สึกตัวแล้วอ่าจิตจะไม่มีกิเลสอันหาไม่ใช่นะมันก็ยังมีกิเลสบันดองอยู่เรื่อยมันไม่ปรากฏขนานั้นไงก็เหมือนกับไอ้ตัว ปรอดถึงไม่มีภาพเลประหลอดข้างหลังมันยังอยู่นะมันยังสะท้อนภาพอื่นได้อยู่นั่นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นจิตใด้สานึกหรือผวังค์งข้จิตมันมีอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะลงลึกเกินไปนะเอาเป็นว่าเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยให้สํารวจดูดีๆว่ามันมีความคิดไหมขณายกเนี่ย ถ้ายังมีความคิดอยู่เราก็ไม่ปฏิเสธนะเราก็รู้ว่ามีเท่านั้นเองแต่เราบังคับมาให้จิตไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีไอ้ภาพเลยเนี่ยนะอันนั้นถือว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดด้วยปัญญาเพราะเกิดด้วยความอุปทานความอยากของเราไม่อยากจะให้มันมันมีความคิดแอยากให้จิตมันนิ่งซื่อตลอดเนี่ยผิดเพราะนั่งกายเป็นสมถะไปพวกสมถะเขาจะทํากันแบบนั้นไม่ให้มีภาพอะไรเลย แต่ความเป็นจริงเป็นยังไงหน้าที่ของผู้ปฏิบัติรู้ว่าหน้ากระจกเนี่ยเมื่อมันยังมีประลอดอยู่ด้านหลังเนี่ยมันต้องสะท้อนภาพแล้วก็มันก็เห็นแต่หน้ากระจกมันเห็นทะลุไปนู่นไหมไม่เห็นน่ะใช่ไหมแต่พอเอาไอ้ตัวประลอดด้านหลังมันออกน่ยมันเห็นทะลุไปไกลเลยนักปฏิบัติต้ตองการเอาตรงนั้นออกเขาเรียกว่าวิชาด่านหาวัวทาน อุปทานไปว่าตัาหาไปว่ายางไอ้ประหลอดถ้ามันไม่ยางมันจะไปติดตรงนั้นได้ไหมถ้ามันไม่ยึดมันจะไปติดตรงนั้นได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาค่อยๆล่อตรงนั้นออกถ้าสมมุติว่าเราตั้งกระจกแบบนี้นะมีประลอดถ้าจะเอาไฟส่องเนะี่ยมันจะทุ ด, ด้านหลังเห็นท่านนู้นไหมถ้าเอาไฟสายส่องมันก็ไปติดอยู่แค่หน้ากระจกใช่ไหมด้านหลังกระจกก็ยังมืดเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าสมมติเราล่อประหลอดด้านหลังมันออกเราส่องกระจกไฟส่องสองอีกทีเป็นไง ทะลุเลยใช่ไหมทะลุไก่น น, นี่เขาเรียกบรรลุไงก็ <c oughs> คือทะลุนั่นเองอนะเออจิตของเขามันทะลุตัวอวิชชาตัญหาอวตารไป <c oughs> น, นั่นตัวนั้นแหละก็แทนที่จะมีกระจกที่มีประหลอดเป็นตัวกั้นบงังแต่เ น, นเมื่อถูกล้อเอากระจกอกลุกดล้ะเอาประลอดหรืออวิชฐ า, านาานาอวตารนั่งแล้ว จิตก็กลายเป็นเขาเรียกมาจิตสมมติว่าจิตสะอาดบ้างจิตปรุงไสบ้างจิตว่างบ้างก็แล้วแต่สมมติเรียกแต่ความจริงแล้วจิตที่เราพูดถึงมันหมายถึงตัวสะท้อนออกมาจากนั้นแต่เราสมมติเรียกว่าใจนะนะสมมติว่าใจก็ได้มันเดิมแท้ันไม่มีประลอดหรอกกระจกน้นแต่เพิ่งมาแต่งขึ้นไอ้คนที่เขาต้องการให้สะท้อนภาพเทนั้นเอง ฉะนั้นเดิมแท้ท่านบอกว่าจิตนี้ไม่มีเรียกว่าจิตว่างหรือว่างจากจิตนะแต่เราต้องใช้ให้เป็น <c oughs> บางครั้งใช้บางครั้งเราก็ต้องมากลับมาอยู่จิตเดิมแท้จิตว่างๆบางครั้งเราก็ใช้ความคิดบางใช้แล้วบางครั้งก็ใช้การปรุงแต่งแต่ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรานํามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดจิตเติมแท้นะ แต่เราจะอยู่กับชิตว่างตลอดไปอย่างเงี้ยเป็นสมถะก็ไม่เกิดปัญญารู้อะไรเหมือนน้ำเนี่ยเราเก็บน้ําสาดไว้เฉยๆใส่ขวดไว้ทั้งปีทั้งชาตินะี่มีประโยชน์เลยไหมไม่มีอ่าแต่มันจะมีประโยชน์ตรงไหนเอาน้ำนั้นไปดื่มเอาน้นไปล้างเอาน้ํานไปอาบเอาน้านไปปรุงไปแต่งไปชุ่ไปตุ่มแต่อย่าสำคัญว่าน้ํานี่เป็นอาหารนะน้ําก็คือน้ำํำเราไปปรุงแต่งใช้เป็นเครื่องมือนะ มันก็เป็นอง์ประกอบอันหนึ่งแต่นั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็อย่าบังคับให้จิตเนี่ยมันว่างมันโลง่งมันรู้สึกอย่ไปบังคับแต่มีหน้าที่รู้บางครั้งมันว่างบางครั้งไม่มีอารมณ์อะไรก็ให้รู้เท่านั้นเองเออจิตที่มันไม่มีอารมณ์มันเป็นอย่างงี้นะให้รู้เอาไว้ให้จําเอาไว้เท่านั้นเอง บางครั้งมันมีการปรุงแต่งก็อย่าไปปฏิเสธมันโอ้ผมปรุงแต่งขึ้นมาฉันไม่ต้องการจิตแบบนี้บังคับไม่ให้จิตปรุงแต่งอันนี้ก็ผิดแต่ให้รู้จักมันเบาเออนี่มันคิดนะแต่ข้อผิดภาดมันอยู่ตรงไหนข้อผิดภาดตรงนี้เราไม่รู้จักจิตราว่างเราก็ไม่รู้จักจิตลรปรุงแต่งเราก็ไม่รู้จักเราเข้าไปในหมดจิตว่างเราก็เข้าไปในความสงบความสุขซะจิตปรุงแต่งเราก็เข้าไปความคิดซะ พอจิตมีอารมณ์อะไรผ่านมาแล้วก็ไม่รู้มันซะเพราะฉะนั้นตัวที่ทําให้เป็นอวัยศักด์นั้นไม่ใช่ตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวที่เป็นอวัยศักคือตัวอะไรตัวไม่รู้เท่าทันเราเรียกว่าอะไรอวิชชาอ่าเห็นไหมตรงนั้นมันเป็นตัวเหตุคือตัวไม่รู้เท่าทันคือตัวอวิชชาที่เราจะแก้ไขอย่างไรก็มาเปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชาเท่านเด้ง เี่ตัวไม่รู้เท่าทันมาเป็นรู้เท่าทันเท่านั้นเองเมื่อเอาวิชาออกมันก็ง่ายขึ้นละที้เหมือนกับเปิดฝาหรือเหมือนเอาอปลอก ด, ด้านหลังกระจกออกนะมันง่ายขึ้นเงเยอะมองเห็นทะลุเลยทีนี้แต่มันก็ออกได้ทีเล็นิดเนนะอมันเต็มหลังกระจกมันขูดเอาทีเล็นิดอา้าวพอลืมเอามันเอาไปทากลับไมอ่อเอาวปลอดไปทากลับไม่อ่ะเอาขูดๆโดนพอเห็นช่องหน่อยอา้าวเพ้อลืมเอา อเอาไปทาใมาอีกเข้าไปกันมาอยู่นั่นเน่ยไอ้ผลอดมันก็ไม่หมดหลังกระจกสักทีดิใช่ไหมก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละอืมเพิ่มเ่าไหร่เอาไปไปทาไว้อีกเอาทรมาร์สตัวเอาเลิกนะออกใหม่เอาเพิ่มเท่อไหร่เอาไปทาอีกอยู่อย่างนั้นแหละเอ๊ะเมื่อไหร่มันไม่ทะลุสักทีเนี่ยมองก็จะไปทะลุยังไงตัวเองเอาอัตตาเอาเอวิชาไปวังไว้เรื่อยๆเนะ่ยนะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในการที่จะ รู้เรื่องนี้อย่างทะลุ ป, ổ ป ổ นะูโปงเราจะต้องทําบ่อยๆทําแล้วทําอีกให้เกิดปัญญาว่าอ๋อไอการที่กระจุบเนี่ยมันมีไอภาพสะท้อนนี่นะแต่เวลาเรามองให้ทะลุไปมันมองไม่เห็นเหมือนกับเราเอากระจุบมาบังขา้างหน้าเราเดินไปไงเดินไปอเลือกระจุที่มันสะท้อนมาสวมเลยนะไม่มันทะลุนะ่ยเดินไปได้ไหม ไม่ได้นะมันก็เห็นเดีว่วเองเห็นรูปตาอยู่หน้ากระจกตานี่แหละเดินไปเดี๋ยก็ล้มเพละนะคนส่วนให ญ, ญ่ก็เป็นงั้นลม้มลุกคุ ก, กขานใช้ชีวิตทุกรุกบางสุขบางดีบา ง, บา ง, บางชั่วบางบุญบาบุบาง บ, บาป บ, บางนรกบา ง, บางสวรรค์ยังสลับกันอยู่อย่างนั้นเขาจึงเรียกภาวะนี้ว่าอะไรวัตสงสารทต่วัฏสงสารทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเห็นว่า ไอการที่ไอหน้าแว่น <c oughs> หน้ากระจกมันทึบอย่างนี้นะทําห้ชีวิตต้องวนเวียนอยู่เนะื้อไม่ไปไหนหรอกเพราะไม่เห็นข้างหน้านี่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกนะว่าอะไรมันบังอยู่กระจกท่านเดิมม า, มาขูดมาขูดออกเนะี่ยโอ้พอเอาไอสิ่งที่มันบังกระจกออกด้วยสิ่งที่ขูดออกปั๊บเนีมันเห็นข้างหน้าโอ้โหทะลุ ป, ปูผงเดินไปได้สบายเลยนะี่เดินไปไหนก็ได้ท่านเรียกวดวงตาเปิดดวงตาทำเปิดได้ดวงตาธรรมะจากักษุไงเคยได้ยินนะ จกคุงอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทปปฏิวิชาวทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิเวลาสวดในธรรมจัจกรจะขุ่เกิดขึ้นแล้วจกขูนั่นหมายถึงอะไรไม่ใช่ตาหนี้ไม่ใช่ต า, นตานเนื้อแต่หมายถึงญาณถึงปัญญาถึงวิชาถึงแสงสว่างต่างหาเนี่ยหมายถึงตัวนั้นได้ธรรมจักรสูมะคนไหนฟังเทศได้ทำขั้นสวดาบาันแล้วพุทธเจ้าอันปล่อยละเพราะอะไร ก็ตามมันเห็นแล้วก็เดินเอาเองสิทีนี้ด้านมีหน้าที่เปิดดวงตาเท่านั้นนะอ่าีเปิดดวงตาพอเรารู้ลู่ลู่นามแล้วนะรู้ว่าจะทํางานให้มันชัดขึ้นเท่านั้นแหละทีเนี้เปิดตาแล้วอะแต่ส่วนใหญ่เปิดแล้วก็ยัง ข, งขงมขมัวอยู่ก็ก็ต้องปฏิบัติขัดเกลอกันต่อไปเรื่อยๆให้มันแจ้งมันใสแต่เห็นไกลได้ง่ายอันนี้คือที่เราปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยให้จิตของเราได้มาอยู่กับปัจจุบันเป็น ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อพยากะตะก็ได้ขึ้นหรือว่ามันประกอบด้วยอะไรจิตปัจจุบันเนี่ยประกอบด้วยวิชาหรืออวิชาถ้ามันประกอบด้วยวิชาจิตปัจจุบันก็เป็นกุศลนะถ้ามันประกอบด้วยอวิชาจิตนั้นเป็นอกุศลไปนั่นไม่จิเป็นอกุศลเราพร้อมที่จะปุงแตกเป็นอดีตอนาคตแล้วทีนี้นะดังนั้นเองให้เห็นกายให้ชัด เพรเห็นกายชัดใจของเราที่มันจะไปปรุงแต่งอดีตอนาคตเนี่ยมันก็หายไป น, นีทีนี้ไอความชัดของกายเนี่ยมันมีกี่ยงหนึ่งส่วนที่เป็นหยาบเห็นได้โดยตาใช่ไหมสองส่วนที่เป็นกลางไม่เห็นได้โดยตามีไม่ความเคลื่อนไหวที่มันไม่ชัดที่เห็น รู้อยู่แต่มันมองเห็นไม่ได้มีไหมมีอะไรบ้างเนี่ลหมหายใจนี่เห็นไหมไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่สัมผัสได้อยู่ใช่ไหมเลือดวิ่งชิีพจรเต้นพวกนี้ย <c oughs> นะไม่เห็นนะอันดีการเคลื่อนไหวแบบกลางอ่าและการเคลื่อนไหวแบบละเอียดขั้นต่อไปอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยมีตัวไหม ไม่มีไม่เห็นได้โดยตาก็เป็นการเคลื่อนไหวชนินทีหนึ่งนะที่อาการที่ละเอียดลงไปอีกความคิดก็ไม่เห็นได้โดยตาแต่มันมีอยู่ใช่ไหมเนะีเพราะฉะนั้นอาการดูการเคลื่อนไหวเป็นชั้นหยาบหยาบเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับชั้นหยาบแบบในอิเดียบทสี่ชั้นแบบในอบทย่อยนะีในบทสีเนี่ยดินยืนเดินนั่งนอ น, น อ, อยู่ใกล้ๆก็เห็นกันแต่พอไปยืนอยู่ไกลนูน้น ภาพตา ย, ยิบๆเนี่ยมองไมเห็นกันละเห็นไหมมองไม่เห็นกันเลยหรือไอ้เขียวปากเขี้ยวฟันอะไรไม่เห็นกันเพราะนั้นจะเห็นว่าเราต้องดูจากอยากไปหาละเอียดละเอียดะยไปจนถึงที่สุดคือดูถึงการเคลื่อนไหวของอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตเพราะฉะนั้นคําสอนที่มาโปรโมทกันทั่วเนี่ยให้ดูจิตนะไปดูอย่างอื่นผิดนะเนี่ย คาว่าดูจิตมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่มี <c oughs> ไม่เยอะะเราถ้าเราเข้าใจกันแค่นี้เร <c oughs> าจะไปดูอะไรถ้ามันไม่มีจิต <c oughs> อ่ามันก็ต้องมาดูรูปนี่แหละถ้ารูบนี้ไม่มีจิตรูปนี้นก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นจิตมันจะปรากฏที่เป็นรูปมันดูง่ายดีแต่ไปดูจิตที่มันเป็นนามรูปมาดูยาก แต่ส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันนะให้ไปดูจิตที่เป็นนามรูปมันก็เลยยากไงให้ดูจิตที่เป็นรูปนามนี่ก่อนหลวงพ่เห็นท่านึงกล้ากับว่าดูกายเห็นจิตเห็นหินใช่ไหมดูคิดเห็นทำนะดูกรรมเห็นปรมัตุดูอริยสัจเห็นนิพพานเห็นนะแต่ถ้าจะว่าดูนี่มันเป็นภาษานามเป็นภาษาอะไวัตถุขึ้นไปต้องใช้ว่ารู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธทม รู้กรรมเห็นปรมัตต์รู้อริยสัจเห็นิพพานอย่างนี้จะง่ายกว่านนะฉะนั้นเองเวลาปฏิบัติเนี่ยคนไหนที่สติสมรยะปัญญายังไม่กล้าไม่แข็งเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดมากหรอกให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนอกๆจะชัดยั้ก่อนให้มันชั ด, ช ด, ช ด, ชดไปตามลำดั บ, ดบแต่คนเราส่วนใหญ่มันก็อย่างว่าในะใจล้อนะเนาะ เขาว่าโฆษณาไปันั้นก็อยากจะไปดูไปเห็นเขาทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่มีเบื้องต้นหยามๆเนี่ยคนบอกให้ดูจิตดูจิตนะกว่าท่านจะมาสอนให้เราดูจิตได้ดั้นปฏิบัติมากี่ปีใช่ไหมสิปียี่สิบปีสามสิบปีไอเราเพิ่งมาเนี่ยจะไปดูจิตเมือนท่านเลยมันก็นก็ล้มเลยมันไปไม่รอดสักทีอย่างงี้ยใช่มมันช้าเนี่ยโอ้มันหยากเกินไปดูกายเนี่ยมันง่ายๆเอาง่ายรู้จักมันดีหรือเปล่าละ่ะ อเอห็นไหมของ่ายๆถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยมันง่ายแต่มันมากง่ายมันไม่ใช่ง่ายแบบง่าย เ, าเรียบง่ายนะนะมันมากง่ายข้ามไปหมดเลยอดังนั้นเองในจุดเนี้ยปัจจุบันนะครูบาอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยมักจะมีมานะโดยไม่รู้ตัวค่ะลักษณะยกตัวคุณท่านอะ่ะพยายามที่ยกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วขมอาจารย์ดังๆลงไว้ก่อน ผมไม่ได้เต็มเมที่ยอผมสักนิดหนึ่งบางๆไว้ให้เขาจับไม่ได้นะีมันเป็นอัตราลึกๆนะไม่ใช่ของง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเองในจุดเนี้ยเราจะต้องศึกษาต้องพิสูจน์ให้เข้าใจในความเป็นจริงพอพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อ แต่ให้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันถูกตรงไหนมันผิดตรงไหนมันใช่ตรงไหนมันไม่ใช่ตรงไหนเป็นหน้าที่ของเราอย่าต้องวิเคราะห์วิจัยไม่มีหน้าที่จะไปโทษท่านว่าถูกว่าผิดแต่สิ่งที่ ร, รับรู้มาเนี่ยมันถูกมันผิดอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ท่านพูดแต่การที่เราจะรู้ว่ามันถูกมันผิดมันใช่หรือมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะต้องมีสติปัญญาที่เราต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจําเพราะนั้นจึงฝึกน้อยไม่ได้นะต้องฝึกเยอะ เพราะของที่มันละเอียดในโลกนี่มันเยอะเหมือนกับการดูของบางอย่างเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นนะนะทีนี้จะทำไงสมมุติว่าเอาละ้านหน้าเนี่ยมองลงๆแล้วก็เห็นแด่พรมแดดเสือนี่แหละแต่ถ้าจะบอกว่าเนี่ยโอ้ฝุ่นผงล อ, อยฟุ้งเต็มนี่เลยเนี่ยมันไม่มีนะก็ใช่ี่เพราะไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่หม เราเอาไฟฉายมาส่งองตอนกลางคืนเป็นไงแล้ว เ, เห็นฝุ่นผงลอยเต็มหน้าไอ้จุ่มไฟฉายเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันขยายให้เห็นสิ่งละเอียดขึ้นอีกดูด้วยสตาเปล่าไม่เห็นอะฝุ่นผงลอยขนาดนี้แต่บ อ, อกกลางคืนน้องมืดๆโดยที่ต้องส่องไฟฉายสว่างๆเลว ด, ดิเคยทํำไหมไม่ชีเคยทําไหมเห็นตาปล่าด้วยตาเปล่าเห็นไหมไม่เห็นนะเห็นไหมในการจิตของเราก็เหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่าง มันรู้ด้วยรู้ความรู้ซื่อๆความรู้ว่เปล่าๆไม่ได้ต้องขยายเอาละทีนี้เราปัดเข้าห้องกระจกว่างอย่างดีไม่มีฝุ่นมีผุเข้าเลยแต่ในนี้จะบอกว่ามันมีแบคทีเรียอยู่นะยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหม <Okay. S 1> ที่จะเอาไปฉายสองไมาเห็นแล้วทีนี้แบคทีเรียเนี่ยทาไง <Okay. S 1> ก็ต้องเอากล้องจุลทัรศน์ละใช่ไหมกองจุลทรรศน์ถ้าหากว่า ไอ้ความถี่การขยายต่ําก็ไม่เห็นดีใช่ไหมก็ต้องขยายไปไม่รู้กี่เท่านะหาเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่าสาสิบเท่าจึงจะเห็นอ๋อเห็นไวรัสบอกในที่นี้มันมีไอ้แบที ria พอเห็นได้ขยายสิบเท่านี่แต่บอกมันมีไวรัส ด, ด้วยนะเอ๊ะมันไม่เห็นนะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยต้องขยายกล้องจุลทัศน์จากสิบเท่าเป็นยี่ิบเท่าจึงไปเห็นไวรัสตัวนั้นเนีงเห็นไหมละเอียดละเอียดละเอียดไปดังนั้นการขยายของสติสัมผัปัญญาขยาย มาคืนเลยและเรื่องทําน้อยไม่ได้ไงเพื่อที่ขยายความชัดของสติสัมมาญาปัญญาเนี่ยให้มีความถีส่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปเห็นอัตตาที่ละเอียดที่สุดเราถึงจะเอามันออกได้เพราะฉะนั้นตัวอัตตาตรวเนี้ยมันเป็นลากเป็นฐานของความทุกข์ออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งน้อยเอาออกได้น้อยทุกข์ก็ยังมากอยู่เนี่ย เราจะทํางไงที่จะอตายที่นี่มันจะมดอะก็ต้องมีอย่างเดียวคือจะต้องขยายตัวตัวรู้เนี่ยให้มีความถี่สูงขึ้นรู้ละเอียดขึ้นรู้ลึกขึ้นรู้ไวขึ้นรู้เร็วขึ้นอะไรมาปั๊บรู้ปุ๊บอะไรมาปั๊มรู้ปุ๊บอันนี้คิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งรู้อย่างเงี้ยมันความถี่ของความรู้มันมันค่อนข้างอ่อนอยู่นะคิดไปตั้งหลายเรื่องเพิ่งรู้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันก็ออกมาจากความคิดได้ยาก ความคิดปรากฏอัตราปรากฏจิตปรากฏอัตราปรากฏนี่ตัวสองมันก็คือตัวนีตัวขยายความถี่ของความรู้สึกตัวความถี่ของรู้สึกอยูทั่วพร้อมความถี่ของรู้ตัวรั่วรอบรู้ในกองรูปกองน้าความถี่ของสติมีมากน้อยแค่ไหนความถี่ของสมาธะมีมากน้อยแค่ไหนความถี่ของปัญญาความถี่เลยนี่ขยายขึ้นตามลำเราเรียกว่ายานเหมือนกล้องจุลทศน์ หรือว่ายานพราะมันขยายให้เห็นชัดหลายๆเท่าเห็นชัดเห็นความคิดปฏิบัติใหม่ๆนี่เห็นความคิดชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดดันนะพราะยิ่งนานปฏิบัติเข้าไปมากเข้าไปเมื่อเขาเมื่อก่อนนี่นะเอ๊ะทําไมมันคิดมากเลยกื่นแต่ความจริงมันคิดมากตามปกติของมันอนะแต่เมื่อก่อนเราเห็นไม่ชัดเนีตั้งแต่มาปฏิบัติเราคิดเยอะเลยกื่นนะเลือกอะไรเดี๋ยเลือกอะไรเมื่อก่อนเราไม่คิดมากขนาดนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันคิดเยอะโอ้ความจริงมันก็เยอะเหมือนเดิมนี่แหละแต่เราไม่เห็นมันไงอ เราเห็นความคิดหลายชั้นดูมันคิดเยอะเมื่อก่อนเราเห็นความคิดชั้นเดียวนะมันมนัวฐานเท่าไยเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราทำเยอะแล้วนะทำถูกต้องด้วยนะถ้าไม่ถูกต้องทำเยอะมันก็ไปอีกทางหนึ่งผิดเพี้ยนไปอีกทางหนึ่ง ันถูกต้องเลยที่รู้ได้ไงมันถูกต้องอ่ า, อามาก็เลยนำเอาไว้ตัวอะไรอีสีห้าหรือพระห้าน่มาขยายหมายว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องบางที่จริงจังอยู่แต่ไม่ตั้งใจ ทำจริงนะมือกงแต่ใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ <laughs> มือนี่ไปไว้ไว้ไว่ายแต่จริงจังเ่ย <laughs> แต่ใจไปตั้งอยู่่ที่ไหนไม่รู้อันดีตอนาคดนี่ก็เรียกจริงจังแต่ไม่ตั้งใจ <laughs> บางทีเอ่จริงจังด้วยตั้งใจทา อ, อย่างนี้นะแต่ไม่ต่อเนื่องพอคิดอะไรไผวดลุกไปเลยนะ <laughs> นี่จริงจังตั้งใจแต่ไม่ต่อเนื่องบางที่ต่อเนื่องอย่างดีนะ บังคับจิตแล้วทีเนี้ยต่อเนื่องโอ้ได้สตินีกันแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะอะไรเพราะบังคับจิตแต่ความจริงที่ถูกต้องคือดองให้จิตรู้โดยธรรมชาติใช่ไหมจิตรู้เองอย่าไปบังคับมันอ่าแล้วก็ไปเผลอบังคับให้มันต่างต่อเนื่องแล้วโอ้จะเป็นสายเลยเนี้ยเดี๋ยวได้เรื่องอ่ะทั้งเครียดทั้งมึนทั้งตึงทั้งอึดอัดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมก็เลยอินทรียหรือพละงนั้นเราจะทํำยังไงให้ให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ก็อาศัย ย้อนไปหาหลักอย่างที่ว่ากระะารยานมิตรไ อ, อยู่ที่สมนสิการที่พูดถึงมาเมื่อวานเนี่ยทุกทนตนัวให้ดีนกะการยานมิตรอาศัยทรรไปเลยถ้ามันไม่สบายพระอาจารย์ถึงเครดคอเลยเกินในวันนี้หาเหตุหาผลมาไปถามอาจารย์อาจารย์ท่านก็สอบส่วนไปสอบสวนมาอ๋อยอมไปเผือเพ่งมันเลยเครียดพระจิตมันเครียดมันก็ไปบังคับลูกดิอ่อานำไปบังคับนามนามก็บังคับลูกต่อดิ ปวดทั้งปวดทั้งเมื่อยวะที่นี่อ่าหรือบางทีเพ่งไปเพ่งมาร่างกายไม่เป็นไร ม, นไมันเข้าไปเข้าไปลึกมันก็ไปเห็นภาพไปเห็นนิมิตสีแสงอปฏิบัติไปมีพระราหัน์มาบอกธรรมะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏไปแล้วที่เนี่ยเห็นนะ <c oughs> เพี้ยนกันเยอะนะเรื่องนี้นะแล้วก็ครูบาอาจารย์แก่ยากด้วยถ้าหากว่าเชื่อมันม่นๆนะเชื่อไม่ยอมเปลี่ยนนะ เดี๋ยวนี้อามาถามว่าโยมไม่มาวัดกำลังฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เงั้ น, นะว่าามาก็หมดปัญญาช่วยเหมือนกันเนี้ยหลวงพ่อไม่รู้ขนาดนั้นย น, น, นะยมรู้ไปเองก็แล้วกันถ้ารู้มากๆมาสอนธรรมา ด, ด้วยมาก็บอกไปอย่างนี้เลยธร น, นี่มันห่างออกไปจิตของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะครั้งหนึ่งธรรมะ <c oughs> อยู่ที่ศรีลังกาแล้วนั่นไปเก็บ ป, ปฏิบัติอยู่ที่ไอแลนด์เฮอร์เบเทศมันมีอุบายศก ค, คนหนึ่งเป็นชาวไอริชนะ่ะแกเคยบวชอยู่ที่อินเดียที่แกศึกแล้วไปบวชได้สี่พรรษานมาม า, ม า, มาพบกันอยู่ที่ไอแลนด์เฮอร์เบเทตเนอ่ยแกถามพระธรรมมาว่าจิตเนี่ยมันมีกี่ดวงอมาว่าจิตมันก็มีดวงเดียวันเลย เขบอกงไม่จริงอ่ะจิตมีเยอะแยะหลายดวงไปหมดเขาว่าตามหลักวิธีธรรมเขาพันมาเอาคุณรู้ได้ไงเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เห็นมาก็ไปเอากระจกอั น, นึ่งนะแกมาทุกๆๆหลายชิ้นนะมาตั้งเรียงกันเป็นแถวเลยนะแล้วก็ค่จุดเทีนยนไขขึ้นดอกหนึ่งท่านว่าเทีนเนยนมันมีกี่เล่มตอนนี้ ม, มันมีเยอะแยะไปหมดฮนะเพราะว่าถ้ากระจกสิบชิน้นเมื่อเทียนก็มีสิบอันในในกระจก น, นะ เนี่ยจิตมยัยื้อแค่ไม่หมดดูที่เห็นมหมท่ันบอกว่ามีจิตเดียวได้นะเอาคุณไปดูในกคยโจก ค, คุณไม่ดูรู้เทียนน่ะเทียนมันมีอันเดียว <c ười> แต่ยอมเลยเรงนี้เออใช่ <c ười> ของคุณนะเทียนมันมีอันเดียวแต่คุณไปดูกระโจก ค, คุณไม่ได้รู้จิตอ่ะเออเนี่ยคุณส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างนั้นคือไปดูภาพของจิตแต่ไม่ดูตัวรู้ต้นกําเนิดของจิตอยู่ที่ไหนคือตัวรู้ใช่ไหมอ่าต้นของจิตคือตัวรู้ ถ้ามันไม่มีคือนับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปเนี่ยคือเป็นตัวสร้างจิตแต่รูปเนี่ยมันก็คือรูปเพราะขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมนีแต่ตัวที่จะไปสร้างให้เกิดจิตตามอนดาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่จะไปสร้างจิตแต่ตัวรูปนี่มันไม่ได้สร้างนะแต่รูปเป็นที่ตั้งของตัวรู้เฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาถูกรูปแล้วนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนาม ถ้ามีสติสัมผัสเข้าไปประกอบนามนี้มันก็กลายมาเป็นตัวรู้แต่ถ้าไม่มีสติมีเข้าไประกอบนามนี้มันกลายเป็นอะไรเป็นตัวสังขา ร, ขารวิญญาณเป็นนามก็เรียกนามมารูปทั้งหมดเวทนาสัรญาสังขารวิญญาณรวมเขาเรียกว่านามมารูปแต่ถ้าหากว่ามีรูปเฉยๆแล้วมีความรู้สึกที่ไม่มีวิชาเข้าไปประกอบก็รูปนามเพะนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสนาให้ดูรูปนามดูกายกับใจ ดูกายกับความรู้สึกเท่านั้นนี่ก็าเลยกาดูรูปนามแต่ถ้าไปดูความคิดไปดูนามมารูปก็เหมือนเราดูไอ้ภาพเทียนในกระจกอะ่ะยิ่งดูยิ่งเยอะนะเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องไม่จบโอ้ดูสนุกดูความคิดนะนะบอกสนุกเข้าอาจารย์วันนี้ผมได้เห็นความคิดเยอะเหลือเกินแล้วมันจบหรือเปล่าล่ะไม่จบไม่คุณไม่ได้เห็นความคิดคุณเข้าไปในความคิด <c oughs> ถ้าคุณเห็นความคิดมันความคิดมันหยุด น, นะ อา้าวทำไมไหวงั้ น, นอาจารย์อ้าวคุณไปเอาสมมุติว่าที่นี่มืดเนี่ยคุณไปเอาไฟฉายมาคุณกดไฟฉายไปแช่เนี่ยความมืดตรงหน้าไฟฉายยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนเพราะแสงสว่างความมืดมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวกับความคิดเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดถ้าคุณรู้ว่าคุณคิดอยู่ก็เหมือนคุณถือ แสงสว่างแต่ว่ามันไม่มากพอที่จะไปทำลายความมืดถ้าหากว่าไฟฉายนั้นะสว่างมากทำลายความมืดได้ทันทีแต่ถ้าแสงสว่างมันลดลงมาตามลำดับจากร้อยเรงเทียนมาเป็นหนึ่งเรงเทียนนะความมืดยังมีเยอะไห ม, มเยอะนะที่รู้ตัวเหมือนกันแต่ก็รู้คิดรู้ตัวด้วยรู้คิดด้วยนะเพราะแสงสว่างมันไม่ชัดจริงอ่ามันไม่มาก แทนที่จะเป็นร้อยลรงเทียนแข็งเหลือแค่ห้แรงเทียนอย่างเงี้ยโอ้หมันก็คิดสนุกรู้ตัวด้วยนะสนุกด้วยนะ <laughs> <laughs> พระอความรู้สึกโัวมนไม่ชัดมันจะทําลายตัวสว่างทันทีไม่ได้ไงแล้วคุณเล่งแสงสว่างความรู้สึกตัวให้มากขึ้นดิคุณก็เห็นตัวเฉยเฉยไม่มี็นตัวคิดเพราคิดดับทันทีเลยนะนั่นหมายความว่าแรงของสติสัมปชัญญะมันสูงแรงของปัญญายสูงมากพอพอคิดขึ้นมากํ็โดดดุปั๊บหายวุบเลยมีไหมบางครั้งมีไหมมีใช่ไห ม, ม, ม บางครั้งคิดอยู่ดูเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะดูมันก็ยังคิดอยู่่มีใช่ไหมพังนี่คือข้อเท็จจริงเราเราเห็นเดือทุกวัทุกวัน<ช>แต่เนื่องจากเราไม่ชัดในเรื่องสภาวะไงเราได้แยกไม่ออกอ่านดูความคิดเป็นดังนั้นเองเราต้องพยายามทำซ้ำๆซ้ ำ, ซ ำ, ซ ำ, ซ ำ, ซำากไอ้สิ่งที่มันง่ายๆนี้เสก่นอนอโอ้ดูกายง่ายๆมีปัญหาอะไรนะ่ แต่คุณรู้มันจริงหรือเปล่าเราไม่มีปัญหาเนี่ยว่าอันนี้กายกายเนีมันเป็นอะไรกายก็เป็นของผมเลยก็เป็นของฉันเนี่ยนั่นมันผิดแล้วเนี่ยกายไม่ใช่ของคุณกายมันของธาตุสี่ขันธ์ห้าต่างหากเราที่มันรวมกันมาเป็นกายเนี่ยไม่ใช่ของคุณเรคุณมาทึกทักเอาของมันต่างหากว่าเป็นของคุณนี่นะเรารู้เหมือนกันแต่รู้ผิดเพราะนั้นรู้ท่านปลอดภัยที่สุดให้รู้เฉย รู้วางบ้างรู้สบายรู้เบาๆไม่ต้องไปสําคัญว่าเป็นมือด้วยซ้ำไปถ้าเดี๋ยวว่าเป็นมือมันก็ต้องมีเจ้าของมือละใครเป็นเจ้าของมือละเดี๋ยวนี้ฉันน่ะมือของฉันน่ะไม่ใช่มือของคุณนะใช่ไหมเนี่ยพอไปสําคัญมันมันไหวมันเป็นเป็นก้อนเป็นดุนเป็นอัตราขึ้นมาปั๊บมันจะมีตัวเกาะเกี่ยวทันทีอที่นี่ไม่มีแมงวันเราเอาขอมันหมิ่นว่าวางนี้สักพักหนี่งมันหมาแล้วแม่วันะนะเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเรา ปฏิบัติอย่างเข้าใจเข้าใจมันจะไวมากไงมันจะไวมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่วิกิที่ยกมาไอ้วิธีปฏิบัติทําให้ง่ายห้าข้อเนี่ยมันมีที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็คือว่าโพธิราชกุมารเนี่ยลูกของพระเจ้าเปรตเสรษฐีเนี่ยทั้งจากพระเจ้าเปรเตเศรษฐีตายแล้วเนี่ยก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าโอ้ผมมีภาระกิจเยอะเหลือเกินบริหารบ้านเมือง แต่หรือว่าก็ชอบปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมของท่านแต่ผมไม่มีเวลาเนี่ยถ้าหากผมชอบฟังธรรมเอบปฏิติผมจะทำงไงให้ให้รู้ไวๆเหมือนเหมือนท่านที่ปฏิบัติทั้งวันเนี่ยนั้นก็เลยหัดเจรปฏิบัติธรรมได้หรือถ้าหากว่าจํากัดเฉพาะคนมีเวลาเนี่ยผมไม่มีเวลาเลยนะจะทํำยังไงให้ให้รู้ไวๆอ่ะพุทธเจ้าก็บอกอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้มีศรัทธามีความเพียรมีเวทนาเบาบาง จะมีความซื่อตรงเป็นนิสัยไม่ใช่คตในคลองงอไปงอมาคิดไปคิดมาไม่ใช่งั้นตรงเข้าไปสู่รูปสู่นามจะมีสติสัมยาปกติไม่ใช่คนวิกลจริตบ้าใบไม่ใช่เป็นสติสัมญาที่ปกติเหมือนคนปกติถ้าห้าประการนี่นะถ้าหาทำอย่างถูกต้องนั้นบาที่ปฏิบัติชา้ารู้เย็นปฏิบัติเย็นรู้เช้านโอ้ขนาดนั้นเฉลยใช่เหมือนกันอืมวันนั้นสูตรนี้เขาเรียกโพธิราชกุมารสูตรเนี่ยเพราะโพธิราชกุมารเข้าไปถามพระเถรุ วิธีปฏิบัติธรรมแบบรัดแบบง่ายแต่ก็ไม่ยากอาไม่ง่ายสําหรับเราอะนะยากกว่าคนที่ปฏิบัติกับพระองค์ท่านนะ่ยดังนั้นตัวอย่างเยอะแยะที่คนเข้าไปฟังทำแล้วปฏิบัติรู้ได้ในะทีอย่างพระยะเนี่ยชั่วโมงเดียวแค่นั้นแนหะบรรลุเป็นพระหันเลยนะแล้วก็ยศสคุลบุตรเนะเช้าเดียวนั่นแหละรู้แล้วนะแล้วก็หลายคนอย่างพระสาริบุตรก็ได้ หนสิบห้าวันเนี่ยแต่พระมคคัลลานะแคเจดวันนีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รู้ชา้ารู้เร็วขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวไม่ต้องไปทําความเข้าใจคําพูดของอาจารย์หรอกเข้าใจกับตัวเองเป็นหลักๆเนี่ยว่าขณะนี้จิตเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงเห็นชัดๆรู้ชัดๆแก้ไขไปแก้ไขามาปรับไปปรับมาเออนั่งท่านี้มันปวดก็นั่งท่านี้ดู ทา้าม้านเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกสบายมันเป็นยังไงใจสบายไหมกายสบายไหมนั่งตอบไปนานๆกายสบายใจยังสบายอยู่ไหมเนี่ยปรับดูอย่างเงี้ยง่ายๆให้ดูของจริงที่มันปรากฏอ่ะเวลามันไม่สบายเนี่ยรู้สึกกายไม่สบายใจเราเป็นยงังไงใจเราปกติใช่ใจเราคิดไหมใจเราสงบไหมเนี่ยดูของง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากวันนั่งแล้วมันไม่สบายใจมันยังสงบอยู่ใจมันยัง สบายอยู่เนี่ยเขาแสดงว่าเป็นกดข่มทุกขเวทนาทางกายไว้ใจมันสบายก็จริงจะสบายแบบกดทับอ่ะเขาเรียกว่าสมร t นะแต่วิปัสนานั้นให้มันไม่ต้องกดทับให้มันเป็นธรรมชาติทั้งสองส่วนรูปก็ให้เป็นธรรมชาตินามให้เป็นธรรมชาติกายไม่สบายใจก็ให้สบายกายสบายใจก็สบายถ้ากายไม่สบายใจก็มันสบายด้วยเพื่อความปลอดภัยแก้ไขไว้ก่อนแต่สบายพอทนได้นะไม่สบาสบายเกินไปนะ สบายขึ้นไปก็พลิกไปพิ้งมานั่งนานมาแล้พลิกไปพิ้งมาอีกก็ไม่ได้เรียกว่าคนอ่อนแออีกละไม่มีความอดทนนะก็ทนพอทนได้พอใจมันจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งพอทนได้นะนะีนี่คือวิธีการนะนั้นเวลาเราเดินจมกรมสร้างจังหวะเนี่ยดูมีตัวรู้ดูธรรมชาติให้สบายเท่านั้นเองอันไหนที่มันผิดธรรมชาติผิดปกติไปแก้ไขแก้ไขแล้วกลับมาดูใหม่ แต่ถ้าแก้ไขบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่อดทนพอแล้วก็อาทนไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็แก้ไขวิธีแก้ไขก็ยังไม่ใครปุ๊บปั๊ บ, บต้องมีสติลําดับการแก้ไขนั้นให้เห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปของเวทนาเวลาเด้อเปลี่ยนยีบทไปแล้วมันตั้งในบทใหม่เวทนาก็บอบางพอนานไปห้านาทีสิ่งที่เวทยานาเริม่มแข็งหลใช่ไหมเริ่มหนักละเห็นการเกิดขึ้นของมัน ทีนี้เราจะทําไงมันอยู่อย่างเงี้ยมันรู้สึกตึงทีนี้ไงทําให้มันเบาไปอ่ะก็แก้ไขที่นิดกําหนดรู้ก็เปลี่ยนไปที่นิดการเปลี่ยนนิบทค่อยๆเปลี่ยนไปเห็นเห็นการปวดขาเนี่ยคลายไปอพอเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นใหม่ก็เห็นมันใหม่อีกอย่งเงี้ยแหละอ๋อมันเริ่มเกิดอย่างงี้พอมันตึงเต็มที่ก็เห็นปรากฏอ๋อทุกนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกอพอขยับนิดหนึ่งอาการนั้นหายไปอ๋อ ความทุกข์ก็ไม่มีตัวนั่นี่ยมันหายไปโดยที่ไม่มีผีมีคุยเพราะขยับมันก็หายไปแล้วมันเป็นอะไรเป็นหน้าตาเนี่ยเพราขยับรู้ไม่ถูกเนี่ยมันจะเรียนรู้อันนี้จังทุกขังหน้าตาโดยสภาวะเลยแต่ส่วนใหญ่เราปุ๊บป๊อกไปเลยนะไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมไม่เคยได้เรียนรู้ของมันหรอกแต่ไปฟังอาจารย์เราแต่ไม่ได้ฟังตัวเองมันก็เลยช้าไงเพราะไปเอาความจริงของอาจารย์ไม่ใช่เอาความจริงของตัวเองไงธรรมะทุกวันมันก็เป็นธรรมะแบบ เรียนรู้จุดจํากันมาไม่ได้ไม่เป็นรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยแต่มันเป็นรู้จํารู้จักจากกันมาก็เลยฟังแล้วมันก็ไม่ทะลุปู้โป่งฟังแล้วมันยังสงสัยอยู่ทั้งทั้งที่ท่านพูดดีนะพูดถูกนะแต่ทําไมเอามาทำแล้วมันไม่เกิดกับเราอ่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราเปของอาจารย์แต่ว่าท่านถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทราบแล้วเราไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งถ้าพิสูจน์ถูกมันอาจจะเป็นอย่างท่านก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะแต่ละคนมันต่างกัน โดยจดดิษฐ์นิสัยโดยสติปัญญาโดยประสบการณ์การศึกษาโดยกรรมอะไรต่างต่า ง, างกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้แต่สาระมันเดียวกันนะดังนั้นในเรื่องเหล่าเนี้ยจึงอยากจะให้ไปทบทวนเรื่องการเฝ้าดูให้สบายอย่าไปเพ่งแต่คําว่าดูแบบสบายกับดูแบบตั้งใจนี่ต่างกันยังไงให้มันพอดีถ้าตั้งใจพอดีเนี่ยมันจะสบายแต่ตั้งใจมากเกินไปเป็นไง มื่จะดึงมันจะเคลียดใช่ไหมที่คนมีความตั้งใจเยอะเพราะตันหามันเยอะอยู่ไงอยากะได้เยอะๆความอยากมันเยอะอยู่ความหาตันหาเข้าไปแทรกฉันก็ตั้งใจดีตั้งใจด้วยตันหาไม่ได้ตั้งใจด้วยปัญญาเนะมื่อเกิดปัญหา้เกิดทุกขเวทนาตามมานียใช่ไหมกต้องตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นปัญญาตัวยานปัญญาจึงจําเป็นที่จะต้องทําให้มันชัดเจนไว้เสมอ ถึงแมกุศลเราทำบังบวทถวขาดปัญญากุศลนั้นก็กลายเป็นอกุศลได้เหมือนกันนะนะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องจิตตอนที่สองเมวืวานาะพจิตตอนที่หนึ่งวันนี้ตอนที่สองนำไปสู่ภาพปฏิบัติได้ง่ายขึ้นนะพวกนี้อาจจะพูดถึงเรื่องธรรมานุวัสสนานะวันนี้วันที่เนะท่าไหร่นะนี่แปดอีแล้วนะเอาวพอดีวันที่เก้าพอดีจบเมื่อลืนก็จะได้ไประชุมสัมมนาพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไป สานาเรื่องอารมณ์เดีกันก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจอของพวกเราทั้งหลายในการที่จะนำไปศึกษาปฏิบัติให้มันถูกต้องดูอาศัยค <c> ร <oughs> ูบาอาจารย์เป็นกนระดานมิตรคอยอบอกคอยแก้คอยไขในส่วนที่เราเข้าใจไม่ถึงในส่วนที่เราแยบคลายไม่พอในส่วนไหนที่เราแยบคลายพอเราก็แก้ไขตัวเองบาบัดตัวเอง ปรับปรุงตัวเองตามท้องการและความตั้งใจนี้จึงเป็นพลัใจจัยให้เราได้สัมผัสมักุณิภานโดยการทุกคนดูทันธอ